ถามคิดว่าเต็มใจเปลี่ยนมานับถือพุทธเต็มตัวแล้วแต่ไม่สามารถประกาศให้ใครๆรู้เพราะจะเกิดเรื่องต้องบาดหมางกับญาติและทำให้พ่อแม่เสียใจแน่ๆอยากทราบว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นคนพุทธได้ไหมเกิดชาติหน้าจะยังคงเป็นคนของศาสนาเดิมหรือไม่ในเมื่อเราต้องทำพิธีร่วมกับเขาทุกวันเป็นพุทธนั้น พระพุทธเจ้าสรรเสริญให้เป็นการที่ใจและการทำตัวครับขนาดว่าท่านจะนับใครเป็นพระพิสุสงฆ์ท่านยังไม่นับที่การนุ่งห่มจีวรแต่นับที่ความเข้าใจและความเข้าถึงแก่นของความเป็นพุทธถามตัวเองว่าละความตระหนีด้วยใจคิดให้ทานได้ไหมละความชั่วด้วยการถือศีลให้สะอาดได้ไหมละความยึดมั่นถือมั่นผิดผิดได้ไหม ตลอดจนละความหลงว่ากายนี้เป็นตัวตนของใครได้ไหมถ้าละกิเลสได้เป็นขั้นๆตามพระพุทธเจ้าสอนก็นับตนเองเป็นพุทธอย่างเต็มภาคภูมิได้เลยใจเล็งไว้แบบไหนก็ไปเกิดแบบนั้นครับเมื่อเป็นพุทธด้วยใจก็ต้องไปเกิดเป็นชาวพุทธต่อให้กิริยาของคุณเป็นไปตามญาติศาสนาอื่นตลอดเช้ายันเย็นก็ตาม แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่คุณจะมีความเกี่ยวข้องในทางดีกับคนศาสนาอื่นเกิดใหม่คุณอาจไข้เขวนิดหน่อยแต่อย่างไรน้ำหนักของความเป็นพุธย่อมชนะและมีโอกาสศึกษาธรรมะเพื่อความกระจ่างจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานในที่สุด